พ่อสมบูรณ์วั ส, สนามในวันที่28สิงหาคม2551นีก็เพิ่งเริ่มต้นเอ็นก็พิ่งรู้สึกตัวได้ประมาณ 2-3 ปี <c oughs> วันนั้นที่ที่รู้สึกตัวคือท่านชี้ให้เห็นสภาวะของความหลงครับนนั้นีนั่งกับพ่อ <c oughs> แ ล, ล้วเราก็ลังคิดอยู่ท่านชี้ตอนนั้นจิตมันหายวับ สะดุ้งขึ้นมาเี้ยเมื่อกีเราหลงเว้ยหลงชิดอ่ะผมบอกจาไหมจำพอแล้วกลับบ้านได้มีปิติเมอกี้เราหลงนี่ทำไมเราไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจกพันกลับมานก็มาทำมารู้สึกตัวอันนี้ที่สุดแต่ตึงแน่นเพ่งไปหาใหญ่เลยตนนี้กลับมาตึงแน่นหนักไปหมดเลย แต่ก็มีความสุขนะคราบมีควสุขล้วกลับมาส่งคัญบ้านสามเดือนมาไปบอกเพ่งกันล้วเขาบอกเพ่งไปแล้วเพ่งไปบอกว่าดูหวานๆไม่ต้องทอะไรกับมันอืเฉยๆเฉยรู้สึกไปเรื่อยๆเบาๆก็กลับมาแล้วก็ยังเพ่งอยู่เพ่งอยู่แต่ก็ตอนนี้ก็ยังติดเพ่งอยู่แล้วก็ติดสุบด้วยตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยฮะ เขาทำมาเรื่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วก็เห็นความเห็นความเงียบเห็นความเป็นความสบายความเบาออกมานนะครับแล้วก็เราก็ เ, าเห็นเห็นความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นดับไปีไดับไปเป็นธรรมชาติของเขาอาจจะแต่ว่าทํางานก็หลงบ้างเพราะว่าต้องทำงานบางีก็หนักบ้างแต่ก็รู้ตัวอว่ามีละมันผิดปกตินะหายใจแ น, น, น, น, น่นหนักๆไม่ใช่ละ ที่ปกติแล้วมีมีอะไรก็ไม่ใิตใจแล้วก็ก็รู้สึกตอนนี้ทุกน้อยลงเยอะรู้สึกตัวแล้วก็มาฟังคำสอนของพ่อยิ่งยิ่งตืร์กยิ่งอีกแล้วพอตอนนั้นเราไปทําจริงแล้วต้องทําอะไรไม่ต้องเข้าใจนี่ต้องมาเห็นอันนี้ดาวอะไรก็ดีหลงพ่ออีกท่านหนึ่งที่ท่านบอกว่าล่ำเติร์กเฉยๆรู้บัง้องทำอะไรรู้เฉย ใหม่ใหม่เห็นเขาทําเราก็รู vender, ้ไม่ใช่ช่างเขาฝ่ครับมันเป็นสภาวะใช่ใช่ธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ระดับนะม่นีะอะไรนะมันเป็นแค่สภาวะไม่ต้องไปให้ความหมายมันอืมอ่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ต้องไปให้ความหมายเพรความหมายก็เป็นเป็นเรื่องเป็นคําพูดเป็นคําแปลซึ่งซึ่งฉีกไม่ใช่แล้วคือมันอยู่ในโลกขนาดอะไรรู้รู้เบาบ้าแต่ก็เรอมีความสุข แต่มันรู้อยู่ที่เรียกวก็มันยังไม่ตอบนะฮะเพราะเราอยู่กับโลกเราเห็นเราเห็นความสุขที่มันตอนนี้เราความสุขึ๊ดไม่ต้องอยิ้มกับใครวันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดูทีวีไม่ได้ดูหนังเท่าไหร่เลยนะคือไม่ดูไร้สาระหนังสปินก็ไม่ดูดูแต่เพื่อเรื่องข่าวเรื่องที่เกี่ยวกับงานตัวเองแล้วก็พอมากับพระสดุดโทรนาแล้วก็นั่งสมาธิ นะครับแล้วก็ภาพลางก็ติดสนั่งแต่ก็รู้ตัวว่าติดสนั่งก็รู้สึกชีวิตคุณภาชีวิตดีขึ้นมากแล้วก็เ ร, เ, รเริ่มเริ่มที่จะมีเพื่อนแล้วก็มีน้องๆเริ่มมาปึกษาเราเราก็ไม่ได้เก่งขาจอะไรนะครับแล้วมีครูบาอาจารย์ก็โยนให้ครูบาอาจารย์หมดแล้วก็ไปเนหนังสือไปเนหนังสือคือพอเริ่มครับเอ๊ะชีวิตนี้ต้องถหลายตัวให้พรเจ้าแล้วละ <c oughs> ไม่ได้นอนเสียเราวานานแล้ว นะครับงันงั้นส่วนที่เหลือของชีวิตนี้คงจะทุ่มเทใหกบบ้กัแบพระเจ้าแล้วก็อย่างที่หนึ่งพ่อขอเป็นน้ำหน่อยเล็กๆบที่จะรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะต้นถูกต้องนะเป็นสมาธิจิตแล้วก็ค่อที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ไปให้กับคนเราค้างที่ตอนนี้เราเห็นเห็นชัดๆดาจระจระเลยว่าเขาเหมือนเราแนด่ดีนะโอ้เขาก็เขาคิดตลอดเราเห็นแล้วเราเห็นปฏิกยาเขาที่เรารู้เลยว่าเขาเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นรู้สึกอย่างไร แล้วเราก็พยายามบอกแต่พี่บอกเขาเนี่เขาไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจก็เราขึ้นม่เคยไม่เข้าใจมาก่อนนะฮะแต่ก็คื อ, อยังยังความรู้ยังนิดหน่อยมากแลก็พยายามหาคุณบาชาัยช่วยสั่งสอนนะครก็ตัวเองก็ยังความเบื่อใจกัก็ตัวเองกอนนี้ก็สนใจไปเรียนหนังสือไปฟังเอ็นดีสาท่านนั้นอ่านสื่อท่านก็ได้ความรู้เพิ่ม เราได้ได้ได้ปัญญาเพิ่ ม, มจากการชื่อกัวโลกนะฮะท่านพูดคำหนึ่งบอกว่าเกิดมาเพื่อไม่เอาอะไรยังจำได้เนเกิดมาเพื่อไม่เอาอะไระทุกอย่างมันเป็นของโลกนะครับทําอะไรไปเนี่ยเราทําเพื่อทำนะฮะมาได้อะไรมาก็มันก็ได้มาไม่ต้องไปนสนใจมันก็ใช้ตามเหตุและปัจจัย แล้วก็เป็นคนให้เสียสละกัเสิงในร่างเือมนุแล้วทิ้งตัวทิ้งร่างกายทิงร่างกายเอาอะไรมามันไม่ใช่ของแท้ฟังแล้วมันก็อบอุ่นเกื้อกูลเกื้อกูลก็เลยเปนที่จะเรียนหสืท่านที่วัดบวรท่านก็อายุเยอะแล้วแต่ท่านก็ยังเมตตาอายุเท่าไรตอนนี้เจสิบหก ท่านก็เริ่มเริ่มแข็งแรงฮะไม่ค่อแข็งแะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็จะสอนถึงวินาทีสุดท้ายสอนอะไรสอนธรรมะสอนธรรมะสอนพระสุตตันตปิฎกมาที่วัดบววังแลก็ก็นำเสนอุณาจาแล้วไปปฏิบัติท่านแล้วช่ำชื่นขึ้นะชชื่อชืมันทุกน้อยลง ลองให้ความเมตตาช่วยสังสาก็ดีอ่ะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นคําพูดนะว่าไม่เอาอะไรหรืออะไรแต่อะไรอย่างนี้มันทีส่วนเราจะไปติดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องทําไปเลยอะไรอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นเองทั้งนั้นเลยนะที่พูดๆนี่เราต้องเห็นความเป็นเองนนเองะเอาหรือไม่เอาไม่ต้องมีครับ นะครับนะอยากไม่อยากไม่ต้องไปละอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรให้ละทําอะไรครับหน้าน่ะไม่ต้องทําอะไรต้องเข้าใจครับทาไมถึงไม่เห็นภาวะเดิมของเราหรือครับนะหรือภาวะที่ที่มันบริสุทธิ์นั่นนะเนี่ยที่เคยได้ยินว่าเนี่ยจิตพระพัดสอนนั่นเนี่ยเดิมแท้เขาปรับพัดสอนอยู่แล้วครับนะแต่บางคนบัคคาร์เาะถ้าปรับพัดสอนก็ต้อง แล้วมันยังมีกิเลสได้อีกอะไรอะไรก็เพราะมันไม่รู้แต่คราเนี่ยเไม่เข้าใจตรงนี้ครับใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับนะก็อย่างเนี่ยที่พูดคุยกันที่แน่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ต้องดูความรู้สึกที่รู้ได้ไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกไงรู้ได้ไหมพอรู้ปุ๊บนี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรครับจบแล้วเนี่ยจบแลยครับอย่าลืมไปตรงนี้นิดเดียวตรงเนี้ยครับนะแล้วมันมีอะไรต้องการต้องการไม่ต้องการตรนี้ต้องถามมันมีไหม อย่างมีตัวเราไม่มีตัวเรามีของเราไหมตอนนี้ตอนนี้รู้ว่ามันมีความว่ามีอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อเหมือนเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกเราต้องเห็นความรู้สึกแล้วมันจะไม่มีอะไรหมดเลยมันยังไม่ยังไม่ที่มันมีนั่นพอยังไม่เห็นออฮะฮะอย่างงั้นจะไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ถ้าเห็นความรู้สึกม่ใช่ไม่มีโลภะโทสะอะไรก็ไม่มีอาดุนาน ยังมีวิปัสสน์อยู่เพราะว่าเราไม่รู้แต่พอพอรู้สึกตัวเนี่ยเราเห็นแน่ดีแล้วว่าเราถูกความคิดเป็นเราถูกหลอกตลอดเวลาถูกหลอกยี่สชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยที่เห็นที่พ่ออาจจะไม่คองแค่แต่ว่าเห็นความคิดละเห็นความคิดเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สภาวะก็คือมันก็แค่นั้นน่ะความคิดมันแค่นั้นนะมันเกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับไม่ต้องไปให้ขังไม่ให้คุณข้ามไม้ความหมา ก็เห็นเกิดดับตลอดเวลาทํางานก็เห็นเกิดดับรู้สึกมันมันมันประคองความรู้สึกได้มันมันมันมันรู้สึกตัวได้แต่ว่าคือมันโดนเล่นเหมือนกันแต่ว่าเรารู้มันมันมีอะไรแตกปลองแต่มันยังไม่ขาดทีเดียวมันไม่ผัดเช็ดเหมือนที่เันครสอนว่ามันเหมือนได้ที่ถึงแล้วตัดเพี้ยมันยังไม่ได้แต่มันเห็นนะเห็นเห็นต้นทางเห็นต้นทางว่าเรามาได้เห็นแล้วว่าความคิดนี่แหละตัวแสบสุดนะแต่ว่ามันก็เพิ่มต้นเพิ่มต้น แต่งพอบอกว่ยังไม่สองแท้เนี่ยคนต้ต้องค่อยๆพิจารณาไปเ <ừ> นะพราะว่าหงพอบอกถ้าแท้เนี่ยมันต้องขาดขาดเพื่อหนห้มันใช้เวลา <ừ> ะนะครับค<ะ>ือมายถึงเราต้องดูนี่ต้องเห็นคาวามรู้สึกอย่างเนี้ยขณะนี้มีนะมีนี่ตกนวลนะอย่าลืมอันนี้นะนน มัตาดูอะไรไปเห็นตามก็้กว่างโล่งป่องอิสระไม่มีอะไรอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันจะไม่ต้องไปอย่าไปไปรู้อะไรว่าเป็นความคิดเป็นไรไม่ต้องไปมีเห็นมีตรงนี้ไม่มีอะไรก็แล้วกันฮะมีวิตกกังวลไม่สบายสบายไม่อันไม่กั้นนะไม่อันไม่กั้นนะมันไม่อันไม่กั้นมันเป็นความปล่อยความวางใจก็สบายใช่ฮะโล่งสบาย นี่ยรู um> ้อย่างนี uh uh ้ส uh uh ิรู้อย่างนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องดูตรงนี้ให้ต่อเนื่องสครับและน่ะวิตกกังวลมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวอย่าไปพยายามาอย่าไปวิตกกังวลไม่มีทางเลยจริงเลยฮะนี่จริงไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะเรามารู้ตรงเนี้ยรู้ตรงนี้เท่นะ้มันปัดไปหมดเลยจริงฮะหรไม่จริงจริงเนี่ยล่างเงาเลยพอรู้ตรงนี้มันถอนออกมาเลยมันจะถอนออกมาเลยครับอื แล้วแต่พอมันมีมากเราก็ไปเห็นว่ามันมีวิตกตงังง์เลยนี้เราก็จะเดี๋ยวนี้มันจะจมอยู่ตรงนั้ น, น, นจมตรงนี้มันจะสะสมแล้วมันจะมากเข้ามากเข้ามากเข้ครับใช่ครับแลจะมารู้นี้มันจะหมดไปเลยใช่ครับแต่อยู่ในช่วงที่นี้ข้อสําคัญที่กลับมารู้ภาวะเดิมไในตรงนี้ครับปฏิบัติธรรมต้องเห็นตรงนี้นะถ้าไม่เห็นตรงนี้แล้วไม่ได้ผลขพอทํามาแล้วครับพอไม่เห็นตรงนี้แหละโอ้ตรงนี้เอง แต่ว่ามันยังหลงอยู่ยเรานี่เผลออยู่ใช่ใช่แค่เราก็ต้องอเหนะ็นไหจะโก้มจะเงยยังเห็นความรู้สึกปองเบาอยู่ครับฮะบไม่ต้องมีสบายไม่สบายแต่ว่าเรียกว่าไม่มีทุกข์อ่ะครับฮะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีแต่ธรรมชาติล้วนๆกันครับจิตล้วนๆความรู้สึกล้วนๆใช่ครับฮะครับแล้วไม่ต้องไปเรียกอะไรอ่ะอย่าไปเรียกอะไรอ่ะอ เรียกอะไรเราก็ไปจินตนาการครับจ้องนี้ให้เห็นมันชัดเจนทีหลังเราอย่ามาแยกแยกอ๋อเนี่ยเราไปอาหารมาไปฟังมาอ๋อโคบาอาจารย์ว่าไอ้คาพูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราแค่มารู้ทีหลังนัสมมุติละนะนะใช่เป็นสัญญาณแต่ตอนนี้เราดูอย่าไปเอาอย่างนู้นครับครับครับให้ต่อเนื้ออ่านอย่างนี้พูดคุยกันเห็นอยู่นะน่าอากาศเย็นร้อนก็ยังดูดูเฉยครับเฉยก็มีอยู่สงบก็มีอยู่เห็ครับ เป็นฟา์มปล่อยมันปล่อยมันบางเองนะใช่ครับใช่มันไม่ติดไม่ยึดนเองใช่ไ้มครับใช่ครับมันหลุดมันคนอ่ะครับใช่ครับน่ะเห็นได้เลยภาวะอย่างเนี้ยครับต้องทําที่ไหนไม่ต้องทําเลยเขามีอยู่แล้วอมีอยู่แล้วสภาพมันเป็นแบบนั้นคือแต่ก่อนเนี้ยเราเราเราผมผมเจอสภาพนี้มามาพักใหญ่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าจิตมันปรุงบอกว่ามันต้องมีดีกว่านี้ เนี่ยแหละเนี่ยที่เราส่วนมากคนเราจะเอาเอาดีกว่านี่ยมันแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปเอาอะไรอะส่วนมากคนเราจะไปดิดเอาดีกับนี่เลยมันมันก็เลยไปนั่งตะเกียกกิเลสละหลวงพ่อนิโรพบอกว่าไม่ต้องทําของให้บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์เองขอมันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทําให้บริสุทธิ์นี่อะไรไหมถ้าคนที่รู้จะเข้าใจกัถ้าเกิดทําให้บริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์มันจะไม่บริสุทธิ์ อ, อันนี้มันก็คําพูดที่เราเรียกฐานเท่านั้นเนีองแต่จริงๆก็เห็นภาวะกันแล้ครับนั่นนะใช่มไหมภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่มันไม่มีอะไร<อ>ต้องการไม่ต้องการก็ไม่มีดูที่มีไม่ ม, ม, มีต้องการไม่ต้องการอยากไม่อยากนีไหมเ ย, ยินดียินร้ยนายมีไหมดูๆๆนะกันดูเฉยๆดูสนอะไรกันนี้วะอันนี้พอเราเห็นภาวะอันนี้ อันนี้ต้องทำ น, นี่ต่อเนี่ยรู้ว่อันนี้ไม่ต้องทํานะแต่ว่าต้องทําให้อย่าลืมคล้ายๆอันนี้หมายถึงคำว่าสติแปล ว, ว่าอย่าลืมอันนี้เท่านั้นครับครับครับ <laughs> เนี่ยย่อง่ายง่ายว่าอย่าลืมอันนี้จต่มันค่อย่าลืมอ่ะเราก็ต้องเคยตรวจสอบเยอะเรื่อยๆเครทบทวนครับมาเดี๋ยวนี้พูดคุยอ ย, อ, อย่างเออตาดูอะไย่งเยอเนี้ย่ยยืดนื้อยตัวก็ได้ขยับเนื้ขยับตัวก็ยังแทงอยู่อันนี้เนี่ยเจริญอย่าเนี้ย เรียกวามักรได้อันนี้ครับนี่ฮะมันมันรู้เลยว่ามันสบายเนี่ยมักคุณสบายก็รู้ว่าสบายมันก็เป็นขั้นหมายเนนะเออข้นมายไปเลยหมอนข้างในเลยเป็นร้านนล่งไันเออข้ามาแล้วขึ้นมาเดินเลยอ่ะเขาท่านขึ้นหมอนนั่งตรงนี้ได้ คลายขาดีนั่งไม่สบายเอาไว้นั่งสบายมาท่า น, นี้แราไม่ต้องไปมีอย่าไปมีจะไปติดปปรูปแบบอะไรต้องให้มันเป็นอิสระแล้วอย่าไปคมอย่าไปเฟิรนจะไปเขิร์นๆๆใช่ไหมบางทีส่วนมากเราจะส่วนมากจะไปติดอ่ะนะเราไปนั่งเข้าห า, หากุหลาบกุยใหญ่หรือหาพระอะไรนี่สองรวมอะไรนี้เราไปคมกดใช่ไหม เออแต่ว่าไอ้นั้นเราทำก็หมายถึงว่าให้เรารู้เรารู้จั ก, จกปล่อยรู้จักว า, างไอ้นั้นก็เป็นเป็นรูปแบบได้รู้จั ก, จกแต่ถ้าเราไม่รู้จักจิตใจแล้วมันจะเป็นเป็นการค่มขดบังคับแต่ถ้ารู้แล้วไม่บังคับอ่ะอาจจะนั่งนางนั่งยังไงก็ได้เราก็จะเฉยได้ใช่ไหมครับเอแต่นี่วันนี่ยถ้ามาฟังอันนี้ก็อยากจะให้นะสบายสบายจะได้เห็นจิตใจมันจะอิสระจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นที่จริงเนการปฏิบัติธรรมานี่ย ที่จริงต้องรู้อะที่จริงมันเป็นไปเพื่อให้เรารู้ธรรมะไม่ใช่เรามาคําว่าปฏิบัติเนี่บางทีมันทําให้เราว่าต้องทําอะไรไอทอะไรแ ล, ะาาแล้วต้องแล้ยินครูบาอาจารย์ต้องทําอย่างงั้นดีต้องทําอย่างนี้ดีต้องทำอะไรเราก็เลยทําตามคํำพูดไปหมดเลยครับ<ช>มันเป็นการทําก็ทําก็เรียวกว่าเราไปสังขารหรือว่าวปรุงแต่งนั่นเองครับไปสร้างยันมาอีกสร้างทุกเรื่องอ่ะใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรเนี่ยต้องมความรู้สึกครับ สงบแม้ไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นรู้ได้ไหมรู้สึกยังไงสบายไหมคุณแม่สูง่าจูความรู้สึกไม่นจะขึ้นยากริงหลวอเทียนบอกว่าการปฏิบัติเคลื่อนไหวนี่นทําให้เหมือนแต่ว่าใจมันมีที่เกาะก็เหมือนจะง่ายขึ้อน <c oughs> อันนี้มันก็นะมันก็ทิ้มันก็ถูกแต่ละคนบางทีบางครั้งเนี่ยนะต้องเข้าใจต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะอ่า อ๋อเดี๋ยวพ่อจะชี้ให้ดูอ่อนั่งให้สบายๆนั่งให้ถนัดดีสบายดีทำดูแล้วกันดูที่ตัวเองหลวงพ่อจะชี้ให้ดูนะไม่ได้บอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นไงนั่งถนัดดีไหมรู้ได้นะยังไม่ต้องตอบทันสีต้องดูนะต้องดูด้วยนะต้องรู้ได้นะเป็นไงนั่งสบายนะไหมนะ ไม่ปวดเมือ่อยไม่เกรงหร่เกรงตัวมานั่งตัวตรงนั่งตัวงอหรู้ได้ใช่ไ ห, ไหน้าอันเนี้ยไม่เกรงนะจะหายใจเข้าออกยาวๆอัดอั้นหรือเปล่าความรู้สึกอัดอัน้นเปล่าต้องดูนะารู้สึกมันอันเองนะไม่ใช่บางทีบางครั้งเราลุ้เราไม่ได้อัดแต่ข้างในมันอันเนี่ยอย่าเกรงตัวบางทีมันเกรงเองเลย เนี่ยเรียกว่าดูธรรมะไอ้ดูอดูดธรรมชาติหรือดูตัวเราอย่างนี้เรอยู่ความรู้สึกโปร่งเบาหมหายใจเข้ า, ขาหายใจออกหาใจยังไงเดี๋ยวนีมีความรู้สึกปลอดโปรง่งดีลงอกลงใจเดีย๋ยวนี้ลงอกลงใจไหมอัดอั้นหรือป่าถ้าไม่อันไม่กั้นนะร่างกายนี้เก่ง น, นะยมันจะเบาเลยเดูความรู้<ม>สึกนะ ดูความรู้สึกนเดียวจะลององเป็นหมอใช่ไหมลองดูดูหลวงพ่อจะชี้ให้ดูก่อนไม่ใช่ชวนคุยนะอย่าเพิ่งิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปบอกเอายากเอาง่ายลองลองลองลองตามดูสะกันเดียวนีต้องต้องป่อยเขาเงียบๆลอเงียบๆไปเลยขึ้นมาแล้วก็คืออย่างนี้ความความรู้สึกที่พ่อบอกก็คัวเราเราที่ไปยากมาก คือมองมองคื อ, มอหม อ, อมองไปนอกต้นไม้เราไม่รู้ส ไ, ไรเด<อ>ีย๋ยวนี้นั่งนั่งสบายก็พอรู้ได้นี่นั่งสบายสบายก็แล้เหมือนพักพ่อนอ่ะมานี่นั่งพักไม่ต้องมีว่าอยากรู้แล้วไม่อยากรู้ฟังพ่อจะชี้ให้ดูแลว้วก็ดูที่ดูที่ตัวเองดูที่ตรงนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวนี้บอกนั่งสบายนะมปวดมือไหม ถนัดดีไหมดูให้ต่อเนื่องหน่ะเอาไม่ถนัดเยอะขยับง่านะขนาดเหยียดเนื้เกยีตัวให้มันสบายเป็นไงเก่งไหมเก่งเนื้อเก่งตัวนะ ม, มันมีปวดเมื่อยไหล่ะดูสังเกตรูร้จักขี้คายผ่อนคายนะั่นเองพอรู้เนั่นเราก็รู้ว่าอยากผ่อนคายขี้คายได้ร่างกายก็มาดิเก่งนะความรู้สึก หรือใจิตใจไม่อ่านไม่ขั้นอ่านหรือเปล่าความรู้สึกอ่านไหมไม่ต้องตอบก็ได้ดูเฉยๆนม่น้องตอบตอบตัวเองแล้วดูที่ตัวเองดูให้รู้ที่ตัวเองเดีย๋ยวมันไม่ใช่อยากง่ายอะไรนะมันรู้ได้อยู่แล้วหายใจง่หายใจง่ถึงมีชีวิตชีวาดีไหมหายใจไงถึงมีความรู้สึกเหมือนกัน ความรู้สึกหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจไงถึงมีความรู้สึกเตือนเติมตัวดีหายใจอย่างไรแต่ยังมีความรู้สึกส ก, ก็ดูที่ความรู้สึกเนี่ยพารู้ตรงนี้มันเต้นไปได้หมดเลยคือคือปฏิ บ, บัติแบบก็หนดลงหายใจค่ะแล้วกแต่ว่าก็ฝึกปฏิ บ, บัติเองไม่ได้มีใครมา <c oughs> แต่ก็ไปทาง ลมหายใจก็ก็ก็รู้สึกสงบดีเดี๋ยวว่าก็เห็นบอกว่ามันไม่ไดเกิดปัญญาแล้วช่วงหลังก็เลยเริ่มไม่ได้ติดติดได้มัก็เริ่มกลับมาอีกอ๋อลงดูตรงนี้ตอเนืนิดนึงนะอันนั้นเรื่องของอดีตไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนดูตรงนี้ดีกว่าเดีนี้มันดูที่ปัจจุบนนะันแ่ะหลวงพ่อจะชี้ให้ดูที่ปัจจุบันตรงนี้ก่อนเป็นไงสงบมากความรู้สึกสงบมากไม่ใช่ตอสงบนะ ดูความรู้สึกเห็นนะเห็นความรู้สึกได้นะรู้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ยรู้สึกสงบแล้วไม่สงบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะเราไม่ต้องไปบังคับว่าจะต้องทําให้มันสงบนะให้เห็นตามคามเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันไม่สงบแล้วก็อ๋อไม่สงบเป็นไงแล้วก็ดูเฉยเฉยเนี่ยขนาดนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงความรู้สึกเฉยเฉยไหหรือว่าไม่เฉยเราก็ดูเฉยเฉยเราก็รู้เฉยเฉยก็แล้ว มันเฉยก็ได้ไม่เฉยก็ได้ให้เห็นแต่าแต่ว่าดูให้เฉยเเฉยเดี๋ยวก็จะเฉยเองเนี่ยี้ให้ดูเยอะเลยนี่ให้ดูตรงนี้นะมือจับยงไก็รู้ได้เป็นไงอากาศสัมบัติรู้เย็นร้อนอาอบอ้าวหรือยังก็รู้ได้อบอ้าวอย่างี้ร้อนอย่างี้ โอบบาพอย่างนี้หรือลมพัดกระทบสองพัดอะไรหายใจยไปหายังปลอดโปรงอยู่ร่องอกร่งใจอยู่ถ้ามันคิดนึกมันก็ไม่ต้องมีความคิดความเห็นอะไรได้ไหมทา ม, มีเราไม่ต้องให้มีได้น ไ, ได้พอรู้นะเนี่ยเดวที่มีความคิดความเห็นนะไม่ต้องมีไม่ต้องมีความคิดความเห็นอะไรไม่ต้องวิภาควิจารอะไรหมดเลย ดูเฉยๆรู้ใฉยๆก็พอรู้ละกันรู้รู้เห็นมันเป็นยังไงมียังไงก็รู้อย่างไง้ก็แล้ว ไ, ไม่ต้องว่าไปพิจารณาเป็นอะไรต่างอะไรไม่ต้องเนีย่ยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากนะนี่ยหาท่ า, า, าซ้อนอยู่ไงไรจริงเป็นไงรู้สึกปวดเมนะื่อยไหมภาวนานหน่อยเป็นไงรู้สึกว่ามีปวดเมื่อยไหย มันปวดก็มีปวดก็เห็นมันปวดเห็นความรู้สึกมันปวดอ่ะหรือมันไม่ปวดก็เห็นว่ามันไม่ปวดอถ้าปวดเราก็จะแก้ไขอาขยับนิดก็หายแล้วอย่าไปข่มอย่าไปกดหรือเราไม่แก้เราก็ดูว่ามันปวดก็อย่างนี้ยเห็นความรู้สึกมันปวดไม่ใช่เราปวดอะไรมีอะไรนม่ต้องถามเรากรดโดดได้ทู่ถึงเลยนะ รือได้ทั้งตัวไหมนี่างเสด็จไหมก็เห็นได้อะรู้ได <Herm it. S 1> ้นี่ทั้งตัว <_ j okes> ลองดูสิอ่าเดี๋ยวนี้ยนั่งอย่างง่ายความรู้สึกรู้สึกสงบไม่สงบใจดีนะรู้สึกก็สบายนะความรู้สึกสบายขึงไหมอย่าไปคิดนะที่อย่างเงี้ยเคยจะคิดอ่ะนะเนี่ยถ้ารู้ได้มันจะรู้ได้เลย เนี่ยถ้ารู้อย่างนี้พอชี้ให้รู้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวหลวงอเทียนก็จก็อกเออคามเคมลืดด่อนไหวไปถามารู้ถึงความเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนอย่างนี้แต่ถ้ารู้ตรงนี้แล้ว่ะที่จริงคนเราก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วที่หายใจเข้าออกนี่ก็เคลื่อนไหวอะขยับนี่ขยับตัวนี่ก็เคลื่อนไหวล้วฮะไอ้นี่มันเป็นการฝึกนะสวยว่าเออนี่ยพิมพดมือขึ้นอลองดิใน ว, วางรูปขาวี่ วันของค่ะอนนี้รู้สึกอยู่นะเห็นความรู้สึกนะไม่ใช่เรารู้สึกนะเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงรู้ได้ไหมมือมือวางรู้ได้นะเนะพิ่มือขึ้นเห็นไหมรู้ได้ไหมเคลื่อนมาอย่างนี้รู้ได้ก็แล้วกันครัรู้ได้แต่ขณะที่รู้ลองดูที่ใจสบายสบายจะเป็นไปเพื่อสบายสบายเคลื่อนมานทีนี้ รู้ได้มางอย่างกรู้ได้บาให้ชิดหน้า อ, อกเลยเบาเบา ร, บาบาบาารู้เป็นไปเพื่อบาวมือเบาแขนนีไหมรู้ได้แต่ไงเบาฮเดี๋ยวเคลื่อนยกไปเงี้ยเบาแขนไะหสบายมือสบายแขนไหมใช่ครับ <c oughs> เอาตอนนี้ก็เอาตนอนนี้ให้รู้สิตอนนี้น่นไม่รู้แล้วเนี่ย อ่ะตอนนี้เอาหมายเอาหนักมืออ่ะตอนนี้เป็นไปเพื่อให้เบาที่เบาได้ไหมเป็นยงไงหรือเงี้เบารู้สึกที่มันเบาหนีอยู่นีให้เรารู้จักนะไม่ใช่ไปทําให้มันเบาทําไม่ได้นะยิ่งทํายิ่งหนักนะเนี่ยไม่อัน้นอย่าไปอัน้นอย่าไปกั้นออยู่เฉยๆก่อนมันหนักนดูเฉยๆ่อนพอมีความรู้สึกเราต้องทําอะไรเนี่ยหนักและนั่นแหละบุกฐานยึดแล้วเรารู้ที่ยว่ามันยึดะมันยึดเอง นั่นแหะเรียกว่ายึดกันแตนี่ยปู่บาอจารย์บอกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่มีทางแล้วเราก็พยายามปล่อยและวางเอามันก็ยิงยึดเข้าอีกครับอันนี้ไม่ต้องเลยทํำไปเฉยๆไม่ต้องมีความรู้สึกเราต้องทําอะไรเลยนั่นแหะปล่อยแหละประเดี๋ยวดูเฉยๆแล้วอย่างมาอย่างนีอย่าพยามันไปอยากจะรู้อะไร รู้ดีตัวเราเป็นไงสบายไนะด้หนูก็ชี้แล้วอย่างนี้แต่งไงเยื่อเนื้อเยื่ตัวสบายสบายนะรู้ได้นี่ก็ เ, เป็นไปเพื่อสบายอะ่ะได้ใช่ไหมนเข้าใจคือให้คือเนี่ยหมายถึงว่าอยากจะให้สัมผัสตรงนี้ ใ, ให้รู้จักตรงนี้นะและการไปฝึกนั่นก็ต้องทําให้ต่อเนื่องนี่ต้องต้องใช้เวลานะไม่ใช่บอกให้รู้อย่างนี้แล้วก็ได้เลยอ่ะ คือเนี่ยอันนี้ต้นทางถึงว่าการปฏิบัติต้องรู้อย่างไรหมายถึงก็ต้องเริ่มต้นเราต้องรู้ให้คือเรียกให้ให้เรารู้สึกอย่างนี้ซะก่อนแต่มันไม่รู้ตลอดเวลาเดี๋ยวพอไป ไ, ปไปพอรู้ครับเดี๋ยวก็ลืมไปแล้ว <c oughs> มันเคยชินกับความไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้พอคุยเคยชินเคยชินมันจะไม่ลืมอย่นี้ <c oughs> เดี๋ยวเรา พ, อพ่อคุยเคยนี้ไม่เคยลืมใช่ไหมจะทําอะไรมันไม่เคยลืมเลยมันเห็นปางจะไม่มีอะไรเบาว่างสบา เ น, เ, นเนี่ยอายุเจ็ดสิบปดแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งวันนี้ให้กีโมง น, นี้หยุดให้โอกาสเก้าเดือนสิบสองครั้งไม่เบาเลยอนะชอบคุณพ่อตอนพ่อเทพบอกว่าตอนที่ให้หแล้วมันเบื่ออาหารแล้วร่างกายมัน<อ>สลดสเละอย่าบอกใครเลยแต่จิตใจมันเล้งมันไม่เมียมันจะทรมานมากเลยถ้าเราดูเห็นภาวะนะมันจะทุกข์มากเลยทรมานมากแต่ว่าเราไม่ทุกข์มันแล้แล้วก็ อยู่กับมันถ้ามันสบายอ่ะนี่ตรงนี้หลวงอฮะหได้อ่ะตรงนี้รู้สึกก็มีความสุขะเองนตรงนี้ที่ที่พวกเรามีความสุขอ่ะมีความสุขนะจ๊ะเนี่ยตรงนี้ฮะที่เป็นปัญญารู้สึกโอ้สบายเ็ยหมดเลยเราจะขยับนี่ขยับตรงสบายเลยหมดไม่เห็นมันทุกข์อะไรนี่เนี่ยฮะเนียตรงนี้สำคัญญาตินี่เขาไม่เห็นที เขาก็เป็นห่วงอะไรต่างๆโอ้ยเรามีความถูกข้อพิเดี่ยนบานทีเขากลับเป็นคนไข้คนมาเยี่ยมเป็นคนไข้ที่เปลี่ยนไอ้คนมาเยี่ยมกลายเป็นมันไม่สบายอเป็นห่วงใช่ไอเราคือรู้สึกว่าเราไม่ไม่มีปัญหาอะไรนี่ตรงเนี้ยสําคัญมากถึงจะมีอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยแล้วมันมีความรู้สึกว่า อย่าให้มันหายหรือไม่หายไม่มีเลยหายหรือไม่หายนี่ไม่มีความรู้สึกนี่ใจใจนี่ตัวนี้สำคัญมันเฉยเฉยอ่ะเออเนี่ยตรงนี้ยเออหายก็ดีไม่หายก็ดีแล้วก็ดูนะเออถามตัวเองอ่ะแต่ผมยังไม่เป็นเออบางทีก็ถามว่าเออมันหายก็ดีนี่นะเอะมันไม่หายก็ดีเออไม่เห็นว่ามันเสียตรงไหนก็ใครๆคนเรามันอยากจะหายอ่ะไอ้นี่เราก็คิดว่าเออมันตายก็ดีนะ ได้เข้าลงเร็วๆไม่ได้จบสัทีนี่ใช่ไหมถ้าเพียงถามว่าอย่างถ้าสมมติแี่นอนแบบไม่รู้ตัวเนี่ยคะ่ะเป็นโรคอย่างนี้จะคือยังไม่เสียชีวิตแต่ไม่รู้ตัวอย่างนี้จะหรือเพราะว่าบโคม่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างนี้จะยังรู้ตัวได้อยู่หรือไม่นะปฏิบัติเ่าคืออันนี้เราต้องต้องรู้ตัวอย่างนี้แล้วถึงอย่างนั้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้น ยัง เ, เชื่มเสนเลือดแตกในสมองสมมติอย่างนี้นะคะยังไม่เสียชีวิตแต่ว่ากระดูกกรดิบไม่ได้เรื่องตัวไม่ได้กินอาหารไม่ได้อันนี้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยตอนนั้นจะสามารถรู้ตัวได้หรือไม่อันนี้เราต้องฝึกไว้ก่อนถ้าถ้าฝึกนี้มันยังไม่เตล่งต้องรู้ตัวแน่นอนเลยผมแชร์ให้ฟังมีคนที่ปฏิบัติแล้ว ก, ก็บอกหมอได้ว่ารู้ตัว คือเราไม่ลืมะเราไม่ลืมภาพรู้สึกที่ถลงพ่อกำลังเชื่อมมันีนคนที่เป็นหมอแพทย์เาประสาทเนี่ยเป็นแค่กายแต่จิตเนี่ยรูย้หมดเลยแต่เราถึงว่าเขาอยกจะขยับซีที่เขาไม่ขยับเขาอยากจะขยับซีขวานขวาที่ขยับในเขารู้ตัวเนี่ยว่าเขาเขาสามารถความรู้สึกมันขยับได้แต่กายม่ขยับไม่ได้เพราะมันแยกกันการมันส่กายเนาะกายมันเป <laughs> ็ น, นของกายแต่ความรู้สึกเนี่ยรู้ตัวตลอด เขาตาผมไม่เห็นเลยบัวลาเขาสัมผัสมือที่นี่ถือว่าเขาพบว่าไปสัมผัสเขาเียเรารู้สึกเ้าได้แล้วเขากตัวแแต่เขาตอบสนองไม่ได้ตอบแต่เขารูกตัวใคามารู้ว่าไขมาคือตัวรู้นั่นแหะมีอยู่มีอยู่นะตอนี้อย่างเป็นอวัยวะเลยเลยนี่ยมันค่ามันมันไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาชาอ ย, อย่างเนี้ย ใช่ไหมเนี่ยเคยตอนนั้นเนี่ยยังไปผ่าตัดถานเป็นเอเอริซิลลูงถาวรก็หมอปอกหลังต้องเฉดตรงนี้เนี่ยทอนพ่อนนี้จะไม่รู้สึกเลยนะเราพยายามขยับยังไงก็ขยับไม่ได้เลยไม่รู้เลยไม่ไม่มีเลยมันก็เราไม่มีขาเลยอ่ะไม่มีไม่มีเลยท่อนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีความรู้สึกเลยว่ามีนี่ ยพยาบาลก็บอกยังไงหลวงพ่อไปใครดูถีบบัวแล้วจะเป็นลมเนี่ยอะไรเคยต้องเคยวัดอะไรเราก็สบายานะก็ไม่มีป่ไมมีปัญหาอะไร อ, ะอ่ะเราก็ยังสบายเ<ด>นี่ยคือตัวมีสติตัวรู้ตัวคือตัวรู้เนี่ยที่ให้มารู้ให้ดูความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นภาวะธรรมเท่านั้นเองะ รเรียกว่าธรรมะนั่นเองตงใช่ไหมไอ้ตัวรู้ตัวนั้นตัวรู้นั่นตัวนั้นอ่านรู้ดูดีๆตัวรู้นั่นเขาอยู่เหนือนทุกสิ่งทุกอย่างแลตัวนั้นเขาไม่มีทุกข์อยู่เล้วเขาอยู่เหนือเห็นเหนือผลอยู่แล้วถ้าให้เราเห็นนะเห็นต่างรู้สึกมันจะไม่มีหล่ามันก็สั่งจะเป็นความรู้สึกเท่านีนเ้เนี่ยที่บอกให้ดูความรู้สึกสงบแล้วไม่สงบมันก็เป็น ภาวะธรรมเท่านั้นเองเป็นปรากฏการของธรรมชาติก็ได้นี่เป็นปรากฏการเนี่ยนั่นเองไอ้ที่มีความรู้สึกสงบไม่สงบนั่ น, นก็มันก็เกิดจากตามปูองแต่งของเราถ้าไม่มีปูองแต่งสงบก็ไม่มีไม่สงบก็ไม่มีมันเฉยเฉยเพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นปรากฏขึ้นนั้นเกิดจากคามปูองแตง่งครับใช่ครับ แต่นี้แต่นนี้เรารู้ว่าพอตรงแข่งถึงมันจะเกิดความรู้สึกินดีมันยินละอ้อยพอเรารู้ตัวแล้วมันก็ถอนตัวออกครับมันก็ไม่ทุกข์เพราะเนี่ยเมื่อร่างกายมันจะเปรดปวดแล้วก็เห็นมันเจ็บมันปวดแต่เนี้ยแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับมันแล้วก็อยู่กับมันให้มันสบายอ่ะเออมันปวดเออก็ดีนี่ก็สบายดีมันก็สบายตรงนี้ฮะจริงจรแปลกนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือก็สบาย น, นี่เราเข้ามาเป็นบะเร็เนี่ถึงอย่างนี้เนี่ยที่ทำซีดีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ทาหรอกถึงวเมี่ ก, ก่อนก็ไม่รู้องนี้เราไม่ได้เป็นหนักอย่างนี้ครานี้เป็นหนักนะหมอเนี่ยเปล่งมากเลยนะระยะสามอาจจะระยะใสรร่ด้วยซ้ําอาจจะเป็น <c oughs> สุดทา <c oughs> ้ายด้วยเพราะหมอหมอที่แรกบอกไม่ต้องทําอะไรเลยเขาคิดว่าโอ้เนี่ยรักษาเลยไม่ได้แล้วอ่ะ แต่เราก็ต้องการอย่างนั้นยังไม่ต้องการรักษาคิดว่าอยากอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนั่นเองเป็นมะเร็งก็ได้เป like. ็นอะไรก็ไ <sh> ด <arp intro> <t> ้ก <sh arp> ็ไม่ได้ไม่ได้วันไหวแต่ว่าเอต้องอยู่หรือต้องตายตายก็ดีจะอยากจะรู้เออมันเป็นอะไรเท่านั้นอ๋ออย่างนี้เหอโอ้เป็นมะเร็งอย่างนี้เหรอครับก็ไม่ก็ยังมีความสุขอยู่อ่ะครับ ผมมาเรียนถาม ค, ค, คือตรงนี้ฮะคือก่อนที่หลวงพ่อจะได้ตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องมีจุดผิดขันนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราตื่นแล้วมันเพี้ยขึ้นมาแล้วมันออกมาถึงเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันแตกต่าง ม, ามันต้องมีจุดหนึ่งที่หลวงพ่อต้องสัมผัสหรว่าหลวงพ่อต้องจาได้คือดูตรงนี้ดูไปได้เรื่อย แล้วมันจะเห็นชัดขึ้นเองครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้ทีรารัยังเห็นไยชัดเพราะเรียนงดูไม่ต่อเนื่องครับใช่ครับแล้วนี้ดูจนต่อเนื่องต่อเนื่องคือไม่เผลอเลยเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างรัฐวัฒน์มันจะขาดออกจากกันเลยนี่ครับครับนะตอนนี้กระทบสัมผัสเลยจะให้เกิดยินดียินรายมันเกิดไม่ได้เลยครับเพราะเราดูนี่มันว่างเห็นไหย กระสัมผัสมันก็ไม่มีอะไรตอนนี้เราอยากให้มันเผลอแต่ยังเผออยู่ต้องอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะเห็นไหมที่ไปเปิดฟังเนี่ยครับคที่นนั้นมีคำถามว่าเนี่ยเนี่ยนิดหน่อยนีดชี้ให้รู้ตรงนี้เริ่มต้นนะรู้อย่างนี้นะเนี่ยที้ให้ดีจะให้รู้ต่อเนื่องนะถ้าถามไปต่อเนื่องเจ็ดปีอะเจ็ดปีครับเขใช้เปียังไม่พรอต้องรู้ต่อเนื่องด้วยต้องใช้เวลาหม่ยถึงว่ารอต้องเย็น มีความเพียรใส่ใจกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นงานหลักเลยนี่หายใจจากว่าก็ยังทําการทํางานถือว่าเป็นานาดีเลยวันวันแล้วก็เคยทบทวนเรื่องนี้ยจะคงเห็นความโลภเสด็จเข้าห้องน้ำห้องตัวผ ม, ผมรีบดีครับที่ตอนนี้เนี่ยที่ที่เราเห็นความว่างแต่พอเราทํางานเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมปรากฏตัวจะทํางานสำคัญๆแล้วหัวสมองคิดตลอดกระดาษปองที่สองที่สมคิดงานทั้งขึ้นมาลังจอทุกลัวนึ่ง ตอนบ้า ง, งนะแต่พอตอนนี้นะฮะพอรู้เห็นอบอกโรคเบาปั๊บเนี่ยใช้วิธีนี้เลยฮะคือพอนั่งทํางานปั๊บเนี่ยพอทํางานมันจะเริ่มเพลินปั๊บเนี่ยหายใจมันจะหนักหนักแน่นแน่นทันทรู้เลยเฮ<ม>้ยไม่ใช่ล่ะเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนละคือมันมีสภาวะที่ทําให้เรามันหนักแ น, น่นหายใจขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนนี้เราไม่รู้เลยนะฮะอย่างนี้มันรู้กันหรอเปลาอุ้ยมันไม่ใช่เราก็เลย ออกมาขยับเนี้อขยับตัวแล้วก็เดินล ง, งน้ำรนะู้ตัวรู้ตัวแล้วมันก็ผมล่องเบาเหมือนเดิแล้วก็กลับไปทำงานได้อีกแต่แต่ก็เจองานเราก็เจอคอมพิวเตอร์เจอคนเจอก็เจออีกมันก็จะเป็นอีกนะตอนนี้เราก็รู้ตัวรู้ตัวอ <c oughs> ก็ต้องลบมั <c oughs> นอย่างเงี้ยลบมันอย่ี้ในแต่ชั่วโมงที่ทำงานนะครับแต่ก็มีความสุขขึ้นเพราะเรารู้ตัว ก็ไดต้องค่อยๆเ็นไปอย่างนั้นนะแล้วเราก็ต้องพยายามเน้นเน้นย้ำรู้ตรงเนี้ยรู้บ้างไม่รู้บ้างหนักบ้างเบาบ้างนั่นแหละมันก็จะเป็นประสบการณ์ทําให้เราแล้วเราก็จะเข้าใจเองเราก็จะเห็นเองครับอันนี้เราจะไปรู้ล่วงหน้าไปจะทํายังไงอย่างนั้นไม่ใช่เราจะรู้ไปเองแล้วความคิดเนี่ยเราเราจะเห็นเพราะฉะนั้นเรเราแต่บางทีเราฟุ้งเรารู้เราฟุ้งรู้เราฟุ้งแล้วก็เห็นเลยเห็นเห็น เห็นคิดนะคิดเรื่องนั้นดักคิดเรื่องตอบมันอัตโนมัตินะดูตามรู้มันโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเรามันแต่บางทีก็ใส่ใจเพราะยังมีกิเลสบางทีเอ้ยเขาเชิงโมกลงไปดูเหมือนกันแต่บางทีเออเฉยๆรู้มันคือมันไปเห็นแล้วว่าไปเห็นความคิดข้างหลังพ่อแต่มันยังไม่หมาลงพ่อคือต้องดูไอ้นั่นที่เวลาเห็นความคิดเราต้องดูความรู้สึกเป็นไงมันเก็ดมันยึดไหมมันหมกมุ่นมันเกาะเกี่ยวนผูกมันไหม ต้องให้เห็นความปล่อยก่อนเราต้องให้เห็นอันนี้มันเป็นความปล่อยความวางไม่ติดไม่ยึดอดแต่ไม่ได้ห้ามว่าไปคิดนึกอะไรไม่ได้อ่เดี๋ยวนี้ดูดิเป็นความปล่อยความวน่างไหะมันไม่ติดไม่ยึดใช่ไหมใช่ครอ่ะนี่ยอันนี้อย่าลืมอันนี้สิแลวนี้ก่อนที่จะทํางานเราต้องเห็นอันนี้ให้มันอยู่ตัวก่อนพอเราทํำไปอ่ะยังเห็นอยู่จะขยับนิดแต่ยับตัวก็ยังเห็นอยู่ แต่มันเห็นแต่มันยังไม่ขาดหลวงพ่อคือมันเห็นว่าเราเห็นก็อนนี้มันมันก็ยังไม่ต่อเนื่องนะดูไม่ต่อเนื่องะใช่ไหมหรือเราจะคิดนึกอะไรกําลังที่ะวางแผนอะก็ต้องดูจิตใจเออไม่มีอะไรว่างโอ้ไม่ติดไม่ยึดแล้วเราทําแล้วก็ทําไปก็ยังเห็นไม่ติดไมยึดอันนี้ยงต้องใช้เวลาดูจนความมันจะต่อเนื่องเนี่ยคือเจริญสติหละตรงนี้สําคัญ อย่างนี้นะพอเห็นแล้วมันไม่มันต้องเห็นว่ามันปล่อยมันวางมันไม่ติดไม่ยึดนะไม่เช่าว่าเราอย่าเป็นเราไม่ติดไม่ยึดแต่ถึงจะเห็นว่ามันยังติดยังยึดแล้วถ้าเราไม่ไม่มาเจริญตรงนี้ต่อเนื่องมันมันผ่านได้จะไม่มีไม่มีทางเซนได้เลยทามาแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยนะพยาาตัวนี้ตาดูไกลเป็นไงยังเห็นปล่อยอยู่เป็นเีอะไรถูกไหม ตาดูเลยควาลอมณ์อะไรตา่าเังเห็นจิตใจทำเวลาพอเราไปดูอะไรเดี๋ยวเราลืมมันี่แหละใช่ใช่พอลืมนี่ก็หลงแค่นั้นแหละล <ง S 1> มันจะถูกปรุงทันทีเลย<ช>ถ้าเราเห็นนี่จะปรุงไม่ได้เราเห็นบ้างแล้วก็รู้เนี่ยเป็นแบบนี้ว่าถูกละนี่นะเราจะให้เป็นอย่างอื่นอะต้องไม่เป็นอย่างอื่นนั้นละนี่เราก็จะให้มันทรงอยู่อะว่าเร า, เราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยฟ้าไม่มีทุกข์หรื จุดจบมันอยู่ตรงนี้ครับนะที่สุดแห่งทุกมาถึงคืออันนี้เราต้องเข้าใจมาถือที่สุดแหละครับนะเนี่ยการทําฉ่นไหนการทําที่สุดแห่งทุกครับจะปรากฏชัดแก่เราได้ต้องมาดูตรงนี้นะบทสดเนี่ยสวดกันอยู่เลยื่อยเลยรู้ตลอด แ, แต่นนี้มันไม่ตลอดอนะเราจะไปวังคับไปตลอดไม่ได้เรารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เราใครจะแน่มันจะมันจะเทเข้าจะเข้าช่องว่างมันจะ มันจะลดน้อยไปเรื <mixes Fried> <Nah. S 1> of of so ่อยๆต้องใช้เวลาไงใช้เวลาเป็นปีๆเลยนมันมันจะถูกกิเลสเข้ามาบิยดบังแล้วเวลาพูดคุยกันนี้เราก็รู้กันพูดคุยถ้าดูผ้าเห็นความรู้สึกของเราก็อยาให้มียินดีเนดายไม่ไปขัดแย้งกอะไรใจแเราเฉยๆเดี๋ยวนี้เห็นได้นะความรู้สึกเฉยๆไหมเฉยๆอนนี้ก็เฉยๆอ่าเฉยๆเรดูไอตอนนี้ เนี่ยพอเห็นเฉยๆตอนนี้เราจะไปพูดคุยใครหรือไปทําอะไรจะเกี่ยวข้องกับอะไรเรายังเห็นจิตใจของเราเฉยๆอย่นี้ตอนนี้มันไม่เฉยจริงๆเราเผลอไปเผลอไปเราเขารู้จักว่ากลับมาดูเฉยๆเฉยๆหรือว่างอันเดียวกันครับพอเฉยเมื่อปล่อยอะอันเดียวกันนะเอาเบ็ดขาแต่รู้นะแต่เฉยแบบสบายๆนะไม่เฉยแบบว่าความเฉยโอ้เราไม่ทูเลาอะไรกันไม่ใช่หรือไม่รับผิดชอบอะไรไม่ใช่อย่างนั้น รู้อะไรไปเป็นอะไรแต่ว่าใจเฉย ๆ, ยๆสบายๆเฉยๆแล้วก็สบายโบกเมามีอยู่ในทุกคนเลยไม่ต้องทำเลยเนี่หลวงพ่อพยายามเชื่อเข้าใจตรงนี้มันจะเร็วเลยมันจะมันรัดสั้นเลยถึงเลยเนี่ยมันมันมันมันมันมันเห็นเลย ว, ว่ามันสกสุกที่ตอนนี้เป็นสโฟรู้สึกได้แล้วก็อย่าไปติดอย่าไปยึดอ๋อมันก็อย่างเนี้ย นีแล้วก็ติดอยู่เลยสุนี่แหละนี่แหละอย่าไปติดก็เราเราดูให้เห็นว่าอ๋อเราพิจารณาเทเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเบาว่างสบายอย่างนี้่นีดูให้ต่อเนื่องนิดนึงอ๋ออย่างนี้เองเจ็บไม่จะถอนมันมันมันสงบแหวาแล้วมันจะเข้าไปเวลาทํางานเนี่ยแล้วพอมันฟุ้งเนี่ยพอเรากลับมาปั๊บเนี่ยอ แล้วแค่แล้วแค่มองมวลอากาศจิตเนี่ยมันไปอยู่ในจุดจุดหนึงที่มันไม่คิดนะมันทําได้เพราะนีอ่อย่าลืมนะเนี่ะโอ้ค่อยมาต่อเรื่องผมเนี่ยผมสามารถเอาตรงนี้ไปแขวนไว้จุดจุดหนึ่งได้แล้วมันไม่คิดมันมันจะไปไดีนเสียงความนนเนี่ยผมเคยไปไล่เพื่อนฟังนะเสียงของความเงียบอตอนนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะเสียงของความเงียบเอาประเดี๋ยวนี้ เราไม่ต้องไปเอาเวลาเลยโอ่ยในผมเดี๋ยวนี่เห็นไมผมเห็นเสีย ง, งเขเสีย ง, เ, ยงเรเไดยินเยอะเสัมผัสที่โดนพัดไปม้มก็ได้ยินดูดเสียงรอบตัวนะรู้สึกรู้ได้ในชะ่ไหมเนี่ยตัวรู้ตัวนี้เห็นะ ม, มีอยู่อะยังไงนานๆนอนเ น, น, นี่ยเนี่ยเราหยางหยางโดูโดูตอนได้ยินเสียงความเงียบคุณรู้สึกตัวปะรู้ รู้รู้รู้ตัวไปหมดเลยใช่ไเดี๋ยวเราฟังเสียงอยู่แล้วเมาเห็นียฟ้ารู้สึกแล้ะเียง้สบาสบายแต่ถ้าอยู่นิ่งบเนี่ยมันจะคล้อยไปอยู่เนไม่ต้องทาอะไรคือทสุดพวกนี้เนี่ยใจเขาเบาสบายในพวกปัญหาความวิตกกังวลมันก็จะลดเองใช่ัหมคะพวกปัญหาหรือความวิตกกังวลก็จะลดไปเองใช่หมมันจะไม่มีเลยมันจะเกิดมันจะค่อยๆลดไป พอาะยังมีอยู่นม่จะค่อยค่อยลดไปพเพราะเราเคยชินนะมันเป็นพังเคยชินมันไม่ได้มีอยู่ชิงกเคยรู้ตัวได้หนึ่รู้สึกเบาสักนั่นแหะที่เราอย่าลืมันว่าเบาสบายแต่นี้ส่วนมากพอเราไปเพลินกับความเราหยับเพลินพอเราเพลินพอเพลินกับความสบายเนี่ยดีจะทําให้เราเผลอแหละเวลากระทบสัมผัสจะไม่ทันกันแล้วนะเจ้าถึง มันเบาสบายก็ให้ ร, รู้ว่าเบาสบายแต่เราตื่นตัวอยู่ให้มันตื่นตัวความรู้สึกมันตื่นมันยจะไม่จมมันยังไม่จมอยู่กับไหล่ไม่ไหล่ใดไหล่เนี่ยที่หลวงพ่อพู่เนี่ยสิบโลเปี์นะหลวงพ่อนี่ว่าอยมามาลุยตรงเนี้ย <c oughs> แล้วมาบอกนี่บางคนนี่มาบอกเขาเข้าใจเลยเ <c oughs> ข้าใจนะเข้าใจ เข้าใจเลยแล้วมีเนี่ยทำมาก่อนเราไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วเยอะๆเลยอย่างี่แล้วก็สังเกตคนอื่นโอ้ที่เห็นปฏิบัตินี่ยแนงว่าทีเห็นปฏิบัติมันสิปียี่สิบปีไปไม่เข้าใจอมันก็ได้ความสงบได้ความสบายก็อยู่แค่นั้นปัญญาไหมแต่มันไม่ใช่รู้อย่างนี้มันปัญญามันไม่รู้ภาวะเดิมอย่างนี้คือจริงๆต้องเห็นภาวะเดิมแต่ที่เห็นอย่างนี้มันไม่ได้เรียนยาหลวงปู่เจ้าบอกนี่รัดมีเดียวเนี่ไหง เร็วอันนี้มันเร็วกว่าเลยเหงนไหมเห็นได้ทันทีเลยนะไอ้ตรงนี้สําคัญเนี่ยจุดเริ่มต้นได้เห็นตรงนี้และที่ว่าให้ต่อเนื่องต้องใช้เวลาต้องเข้าใจนะและนี่ไม่ใช่เรื่องทำจะให้ต่อเนื่องเนี่ยต้องใช้เวลามันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเพียงแต่ให้เรารู้ทามันรู้ไม่ใช่ให้เราต้องรู้นะให้ตัวรู้เขารู้อยู่แล้วอ่ะเขารู้เองเลยเนี่ยนรู้เองใช่ไหมเห็นได้ไหมว่ารู้เอง ถ้ามีเราต้องรู้นี่ยึดแหละมีอุปทานะมีเราแหละไม่จะหนัก<ม>นั่นแหละที่มันหนักคือบางครัรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรใช่ใช่ใช่ใชไ่ช่วง ท, ที่ติดเพ่งนี้พราตอนนี้ก็มีตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีแล้วเคยดูไว้สิตอนนี้เนี่เราดูเออบวมเบาไม่ไม่มีเพ่งไม่มีจ้องนะไม่มีอั้นไม่มีกั้นนะเราต้องดันตึงเลยนี่แหละโดยเฉยเฉยโดยเฉยอันเนี้มันติด นี่ความเคยเพืนที่มันสะสมแต่แต่พอบอกเลิอกปฏิบัติปั๊บเป็นโ่องเลยนะว่าไม่ทำทำเสร็จเสร็จกนี่องไปเลยนะท่องไปเลยก็เลยเลยรู้อ๋อเราไปทำมันมันถึงตึงนี่หายแล้วนี่หายแล้เนี่ยหายและแล้วอย่าลืมอย่าลิมภาวะอย่างนี้เลยอันนี้เปอีกแล้วแล้วมาคิดกันอ่ะนะฮะเราก็ดูให้ดีดีดูให้ดีดีมันไม่เที่ยงมันไปมันเกิดเกินตอบนี่ไปอีกแล้วนี่เป็นล้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกัรู้ไม่รู้เท่อนั้น ไม่ต้องไปพูดเรื่องเกิดดับหรอกนะเกี่ยวกั้เรืเ่อง <c oughs> ต้องรู้ไม่รู้บ้างก็อาจจะต้องรู้เฉยๆรู้เฉยๆแล้วกต่มันเป็นอะไรู้เฉยๆดูไกลๆดูปล่อยดูแบบปล่อยแบบวางพรคายก็ อ, อ, อย่าไปดูบางทีอย่าไปดูอะไรไปนะเนี่ยอย่าไปอย่าไปติดไม่ได้เลย เนี่ยพอบอกให้ดูดูเดี๋ยวก็เลยดูดูมันก็เลยใช่ใช่ไม่ต้องไปดูก็้งดูัแล้วมันจะเป็นมันเองใช่ใช่ใช่เนาะมันซับซ้อนจริงๆบางทีต้องใช้เวลานะเราอยากให้รู้ตรงนี้รู้ไม่รู้คือมันจะนั่นแต่เราดูไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเองไม่ได้หรอกแล้วมันงมีรูปแบบหลวงพ่อมันรู้หมดเลยนะมันไปเรื่อยๆก็รู้นี่หลวงพ่อพยายามเน่นตรงนี้ยใครมาก็อยากจะ รู้ไม่รู้จะชี้ให้พอให้ได้สัมผัสได้ก็แล้วกันว่าเอออย่างนี้แค่ไปไปมันอย่าค่อยๆ่อยเราอย่าลืมดูตรงนี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวมี้เป็นพีสาที่ ตอนแรกอะมีนะพูดเมื่อวันศีรษะอันนั้นนะเพื่ออยากให้ดูจิตใจจะพยายามดูตามในนั้นนะท่านนั่นเนี่ยมพ่ะนา่งพระถามนะบทแรกนะเป็นสิ่งดีมาเนี่ยถ้าคนเขาเขารู้เนี่ยเข้าใจเลยนะพูดพูดแล้วเข้าใจแต่คุณหมอเนี่ยเจริญทางอ่านคุณหมอนี่อ่านฟังด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปฟังคือไม่ใช่ว่าฟังแบบว่ารู้ไปเรื่อยๆฟังไม่อดูจิตใจ เราต้องดูเพราะหลวงพ่อจะชี้ให้ดูนะครับครับไม่ใช่พูดให้ฟังครับนเนี่ยเหมือนอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะเนี่ยนะอืมมันจะเป็นไงก็ได้เราคือดูไปเฉยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างช่างมันขอให้เราดูแล้วจะเข้าใจเองจะรู้จักเองหมามันพูดให้ถูกมันพูดยากนะจะเห็น วันนี้มันเหอเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่ได้ตนเองเนี่ยคือเรียกว่าสวัสดิธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นเป็นปัจจังเป็นสิ่งที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตัวได้หนึ่งวันัะได้หนึ่งวันแต่มันขาดความเพียรค่ะหลวงพ่อต้องมาให้หลวงพ่อกระตุ้นคืรู้ได้หึงวันก็โอะไรแล้วก็ไม่ได้ให้เตือนตัวไว้เราอย่าไปฝึกสงบอย่าไปเอาสงบ สงบก็เคยรู้มาแล้วแต่ตอนหลังตื่นสงบเนี่ยมันจะติดนะมันจะจมตีสี่ตีห้าผมตื่นหรือผมตื่นประจํางตื่นมาปั๊บเนี่ยผมจะออกกำลงกายแล้วก็จะสวดมนตนั่งสมาธิผมต้องเริกไม่ต้องนั่งดีกว่าผมว่ามันหยุดแล้วเคลื่อนไหวนะให้ตื่นตัวว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงตื่นนะผมเดี๋ยวนี้ตื่นัวที่ตื่นนะตื่นตัวแต่ว่าความรู้สึกอะความรู้สึกตื่นตัว ไปทำงานเนี่ยตื่นตีสี่จะทำอะไรดีคะหลวงพ่อว่าไม่น่สบายก็เดินจงกรมสร้างจังหวะอะไรก็แล้วแต่เลยเสร็จก็นอหยุดแล้วให้มานตื่นตัวอันนี้ถ้าเรารู้สึกตัวตื่นตัวไวเห็นความรู้สึกตืตัวก่อนที่ทาอะไรแล้วก็ดูให้มันมากแต่นี้ใช้เวลาหน่อยใช่ใช่ดักฝึกไปตรงนี้ให้มากมาผมรู้สึกได้เลยที่หลวงพ่อบอกคือเราทํางานแต่เราเห็นความสงบอยู่ แล้วเราก็ทํางานได้ด้วยนะทํางานความรู้สึกสงบไม่ใช่เราสงบเราต้องดูอีทอกทีว่าเอ๊ะเราสงบเลยเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันสงบความรู้สึกมันสงบแล้วมันหยุดความรู้สึกมันหยุดมันไม่มีความคิดเห็นแต่มีแต่ความรู้มันจะรู้อะไรหมดอย่างนี้เนี่ยบอกเราต้องรู้อะไรนะมันจะรู้เลยไม่ต้องคิดเลยมันไมม่ันรู้มันเห็นเลยมันรู้มันเห็นธรรมดาแล้วพอมีความคิดความเห็น ความรู้กับความเห็นกับความคิดความเห็นมันต่างกันคิดมันหนอกคิดมันหนักมันจะปรุงอนี่ความรู้ความเห็นมันรู้อ่ะรู้เลยเหมือนอย่างเนี้ยต้องคิดนะใช่ไหมมันสบายโอ้โหแล้วดูทีเนี่ยเราดูอะไรดูเฉยๆก็เห็นได้ใช่ไหมแล้วไม่ต้องมีความคิดความเห็นแล้วดีไหมตอนนี้รู้อะไรจะชัดเจนด้วย แล้ธรรมดาเราดูอะไรเคยสังเกตไหมพอดูอะไรไปมันดูแล้วมันคิดไปด้วยมันวิพาควิจารไปด้วยอันนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วกขนาดอันนี้แหละอันนี้แหล ะ, นนละต้องจะจพูดให้ฟังว่าเออแื้อให้เปรียบเทียบดูมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องรู้จักเขาอ่ะเห็นะครัก็ดูแล้วก็รู้สึกพอใจก่อนขั้นแรก มันจะรู้ ม, มันจะรู้จักเองอ่ะโอ้อย่างนี้เอง <c oughs> ใช่ไหมหามไม่มีทุกข์คืออย่างนี้เองที่เร า, สาแสบหาโอ้โหเนี่ยนะแต่มันไม่มีสุขเหมือนกันกบนั่งสมาธิหรอกคนละแบบอ่ะคนระแบบคนระแบอะแบอันนี้มันจะดีกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าเป็นปกติกว่าใช่ไหมคนระแบบดูความรู้สึกไม่ต้องทําอะไรครับใช่ไหม แต่นี้ก็หัดคือเวลาเราทํางานว่าเราต้องทําอะเรื่องอะไรใด้ไหมเดี๋ยวอ่านมาแม่พ่อฉันไม่ต้องฮะไม่ต้องฮะนี่ยมีไม่ต้องไปทํานั้นคว <โร S 1> ามรูร้สึกไม่ต้องทําอะไรเรียนอย่างเนี้ยไปไงานความรูร้สึกได้พักไหมเ<โ>รา อ, อยากพักความรูร้สึกไหมรู้สึกได้พักไหย หายใจเข้าออกเร็วๆแล้วปกโป่งร่งเบาเราจะดูหน่อยแล้วเวลาทํางานแล้วครัหลวงพ่อดูยังไงเมื่อกี้หลวงพ่อดูสุก็นี่ไงที่บอกนี่ให้ดูให้รู้ตรงเนี้ดูความรู้สึกจำศาสาร์านอนไว้คือคือถ้าผมแชร์ไอเดียนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาดูเนี่ยถ้าเราดูเบาๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้พลังงานเลย แล้วเวลาถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามดูมนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันจะใช้พลังงานมากแล้วแป๊บเดียวเลยปวหัวเลยอะปวดหัวเลยต้องไปดูอะไรเยอะดูนิดนิดเท่านั้นแหละก็อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยผลวงพ่อถามงี้ฮะพลังงานนิดเดียวพลังงานเดี๋ยวนี้มีดูนิดเดียวเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างไรรู้ได้ทันทีเลยเนี่ยไม่ต้องไปดูอ่ะ รู้ได้เ <laughs> นี่ยคําพูดบางทีใช้คําพูดไปด้วยบางทีมันก็เลยรู้ได้ใช่ไหมหลวงพ่ <c oughs> อเขียนบอกว่ารเวลาเวลาทำ ง, งานนี่ให้ใ ห, ใ, หให้ให้ให้ให้รู้ว่าเรารู้อย่างศึกยังไงหลวงพ่ออย่าไปเอาไปทํางานดีรู้ที่เดี๋ยวนี้ความที่แล้วก็เราก็อย่าไปไปเวลาไปอยู่ตรงนั้นเราก็อย่ารู้จักดาเดี๋ยวนี้นีไ่ก็ให้รู้ที่ปัจจุบันนัเองถ้าเรารู้ปัจจุบันนี่แหละหลวงพ่อพยายามที่ให้รู้ปัจจุบันตรงนี้น และทํางานเนี่ยเราก็จะรู้โอ้เราก็รู้ปัจจุบันเราก็จะก็จะรู้จักว่าเออเราต้องเกี่ยวข้องกับการงานอย่างไง แ, แล้วเรามันถึงจะไม่หนัก อ, อกหนักใจถึงจะไม่หงุดหงิดถึงจะไม่ลาําคาญถึงจะเบา อ, อกเบาใจเบากายเบาใจสบายกายสบายใจดี มันไม่เรื่องลผลนครับเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วผมก็นั่งฟังแล้วก็เออว่าหลวงพ่อสอนอะไร <c oughs> ทําไมมันง่ายจัง <c oughs> แล้วกลับไปบ้านคืนนั้นทําใหญ่เลยนะทําๆๆๆไม่ได้อะไรแล้วก็หายไปเลยปีหนึ่งอ๋อเลยแล้วกกลับมาฝึกที่เนี่ยแล้วก็มาฟังเทวหลวงพ่อใหม่แล้วมันก็ มันก็ค่อยๆเข้าใจแต่เริ่มต้นะผมก็เริ่มต้นเหมือนกันแต่แรกๆเออเลยกลับไปที่ทำไมมันง่ายจังเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็เอลี่วางแล้วทีแรกมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกไม่เข้าใจกแล้วก็การมองสิ่งเดียวกันเริ่มแยกค่อยชัดเดี๋ยวนี้เข้มข้นเลยว่าเข้าใจไม่เมือนละหลวงพ่อสอนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคนความเข้าใจของจิตคนละจิตคนละดวงมันไม่เข้าใจมันไม่เหมือนกันเพย์ไม่รู้จักอมันยังไม่รู้จักมันไม่รู้จัก ถึงรู้จักแล้วก็คงทราบไปเพาว่าอันนี้แต่ส่วนมากเราจะไปทําอ่ะครับพอรู้สึกว่าอยากจะได้อะให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ยังอยากได้อยากดีอยากอยากอะไรที่มันพิเศษกว่าเนี้ยแต่นี้ไม่ต้องมีอะไรเปจริงไม่มีอะไรเป็นเลยมันมีแค่นี้อะแต่เราจะเอามากกว่านี้อีกส่วนมากจะไป